ทุกทุกท่านทุกคนแนวกาสมีมนื่อ์พระสง์องค์เจ้าทุกทุกองตั้งใจวังเพราะเวลาอันมีค่าที่สุดถ้าหากฟังและจดจาไม่ได้มันจะไม่คุ้มกับเวลาที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม วันนี้ตัวของผมหรือตัวตมาได้มาพบกับพวกเราก็จะได้พูดความจริงที่ตัวเองเคยศึกษาและเคยปฏิบัติมาให้พวกเราได้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยั ง, งโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมา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 หรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะโลภะมาทำลายตัวชีวิตของเราหรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายัา ง, งโง่หลงยังไม่เข้าใจยังไปงม ยังไปอาศัยอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนเพึ่งใครทำไม่ได้ไปพึ่งพระพุทธเจ้าทำให้ก็ไม่ได้บัดนี้เรายังไปพึ่งถีเพึ่งเทวดา เพิ่งการรักษาสินเพิ่งการให้ทานแต่เพึ่งการทำกรรมฐานนวิปัสสนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอะจากพึ่งได้อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเอง อันนี้นี่ว่าโสะโมหะโลภะนั้นจะจางภายไปกอเพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนี่เองดังนั้นที่ผมหรือตัวจะมาจะพูดให้ฟังเพียงสั้นๆปุ๊บใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียน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 ทุกข์พ่อสิ่ง น, นี้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์พ่โทสะโมหะโลภะมาลกวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืด อ, อยู่อย่างนั้นแหละควบหน้าอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความสว่างภายในใจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้า คนสมัยนี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูกคือพอใจแล้วมันเก็บแล้วอยนะขัดใจถูกใจแต่ว่าไม่ถูกใจเนะี่ยไม่ถูกเลยมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้ว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 ท่องแค่วองไว้รู้จักอัดรู้จักแปรทุกสิ่งทุกอย่างกอตาบถ้าหากยังไม่มกแก้ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค่ากับความมาเกิดเป็นคนมันเองดังนั้นคำสอนของพระริเจ้า พาหน้ามากินจริงมันขอแห้งดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภได้นั่นแหละเรียกว่าเรามีสินสินจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่า เสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันจริงกิเลสยังหยาบคือโทสะโมหะโลภนี่เองแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานําทาชั่วนั่นเองอันนี้แหละกิเลสอยา่างหยาบเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปจิิงจริงปรากฏ เพราะศีลมันหายหน้าขึ้นมาแล้วศีล น, นั้นขายเกียวที่มันอัดแน่นนั้นออกแล้วจึงว่าศีลจึงเป็นเครื่องทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางหายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือศีลศีล น, น, นั้ น, ปนแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจ จึงเห็นว่ากายปกติวาจจปกติใจปกติอันความปกตินั่นแหละนียว่าสินถ้าเราไปรับสิน5้าสินแปดสินสิสินสองรอยี่สิเจ็ดสินสามร้อยกว่ามยังไม่เห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมุติเท่านั้นเองยังไม่เป็นตัวสินแท้ ตัวสินแท้ตัวสินจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแต่ต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมุติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละมีคนมาจับมือหรือจับแขงจับขาจับที่ไหนก็ตามมีสองคนสามคนมาจับพร้อมกันก็รู้ปึ๊บพร้อมกันทันที เพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือสินสินจะเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างกลางคำว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนัังภาวนาพุทโธธรรมโมหรืออัลหังคองนุกดูลมหายใจอะไร สมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทําการทํางานพูดคิดการงานนั้นจะสําเร็จลุล่วงไปได้โดยดีเรียกเพราะว่ามีสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเรามันนึกมันคิดเราลู่เทาลู่ทันลู่จักกันรู้จักแก้ เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั่นแหละคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าตั้งใจมัน่นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นชีวิตของเราเป็นปกติอย่างนี้นั่นแหละคือเรามีสมาธิจึงกำจัดกิเลสอย่างการเราไม่ใช่เป็นนั่งามสงบคามสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้ สงบสงบแบบอยู่ในถ้ำสงบแบบมืดสงบแบบที่มันเกียวมันอัดแน่นอยู่นั่นแหละสงบแบบควมหน้าอยู่นั่นแหละอันนั้นสงบแบบหนึง่งอันคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้อยากเป็นพระเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ขอตาม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 รู้สึกเราเยียดมือรู้สึกเราพิตารู้สึกเราเลือกซ้ายแลขหัวรู้สึกเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกมันความรู้สึกนี่แคือสัญญาให้มันทำหน้าที่ของมันเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้มันจะไม่มีวันหลงวันลืม เพราะมันได้ทาหน้าที่ของมันจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นสังขารมันจะไม่ปรุงไปในทางที่ผิดสังขารคือจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราขัดใจเราไม่พอใจ มันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองไม่สักขัดแย้งคนอื่นนะขัดแย้งดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่เมื่อเรามาเห็นมารู้มาทำความเข้าใจกับที่ตรงนี้ความสับสนวุ่นวายเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นที่ตรงนี้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 กิเลสยายละเอียดนั้นมองไม่เห็นจับไม่ถูกแต่มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเรามาพูดกันเพียงสมมุติเท่านั้นเองตัวของผมตัวของอาจะมาเคยพูดให้ฟังกิเลสยาละเอียดนี้เสียงก็ตามตาเห็นก็ตาม จะหมกได้กินก็นตามเรารู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นสิ่งนั้นจะไม่ปรุงนี่ิเลสอย่างละเอียดหรือว่าเรามามองจิตมองใจของเราหรือมองการเคลื่อนไหวของเรารู้อยู่ทุกขณะความเป็นเองมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนคือตัวสัญญาตัวนั้นเน่ยจะไปทําหน้าที่ของมัน ตัวสังขารมันก็จะทําหน้าที่ของมันตัวเวทนาก็จะทําหน้าที่ของมันตัววิญญาณก็จะทําหน้าที่ของมันเพราะมันมีหน้าที่ของมันเวทนาก็เรียกว่าเสะเวยอารมณ์เราพูดกันอย่างนั้นคือเวทนานั่นน่ะคือรู้เสะเวยอารมณ์ที่ไม่มีทุกข์เพราะสัญญามันทําแล้ว เวทนาก็ทำไปด้วยอึ่องเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารตัวนั้นก็ทำหน้าที่ของมันเองเว่าสังขารไม่ถูกปรุงวิญญาณก็รู้เพราะตัววิญญาณทำหน้าที่ของมันมันเองท่านว่ายอย่างนั้นเว่าสินขันสมาธิขันปัญญาขัน ผมรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าศิ้นห้าสิน 8, ส้นแปดสิ้นติดสิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในทางตำราบาาอกว่าอธิศินศศศศน้นสิบขาอธิจิตตสิบขาอธิปัญญาสิบขาท่านวายานั้นสิบขาก็ถ้าจะพูดตามภาษาที่ผมเข้าใจก็หมายถึงเอาข้าวหรือเอาอะไรที่ลงจักลงสีนั่นเอาข้าวโยนเข้าไปในโลงสี แต่เป็นข้าวเปลือกนะเครื่องจักรเครื่องสีนี่มันจะผัดเป็นข้าวสารออกมาหรือเป็นแก่เป็นลำไปเม็ดใดดีก็เป็นข้าวที่หนึ่งออกมาเม็ดใดไม่ดีก็เป็นข้าวที่สองหักครึ่งหักกลางออกมาถึงกับข้าวที่สามเป็นแก่เป็นลำไปเนี่ยญาติโยมมาฟังธรรมะวันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้หรืออุปมาให้ฟังเหมือนกับ ลงจากสีไม้เอาไม้เป็นทอนเข้าไปแล้วสร้างคนที่ทําหน้าที่นั้นก็ต้องวางระดับลงไปเอาอย่างนี้แล้วใบพัดหรือใบเลือยนั่นจะตัดลงไปเลย<ม>ให้มันซื้อมันตรงเข้าไปแก้ไขดัดแปลงหนาบางที่ตรงไหนเครื่องจกอักรนนั้นมันจะตัดเองมัน เรียกว่าสำคัญคนที่ปล้อนเข้าไปคนที่เอาวางลงทีแรกนั่นแหละเข้าไปอย่างนั้นจิ้นวัดศขันสมาธิขันปัญญาขันขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสิญญาเรียกว่าขันห้ารูปก็มีศีลเวทนาก็มีศีลสัญญาก็มีศีลสังขารก็มีศีล วิญญาณก็มีสิลมันทำหน้าที่ของมันสิลงจึงแปลปกติเมื่อมีปกติลูกก็ปกติวาจาคำพูดก็ปกติจิตใจนึกคิดก็เป็นปกติเมื่อปกติอันนี้มีแล้ว<ม>นั่นแหละสิ่งใดปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นจะรู้จะเข้าใจทันที สิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นมาที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายหนเอาเสื้อเส้นเดียวนันเนี่ยพูกทั้งสองหลักให้มันดึงตึงๆให้มันแท็งตัดตรงกลางขาดปุ๊บทีเดียวเมื่อมันขาดแล้วเสื้อมันก็เสด็นหรือมันสะท้อนหรือมันกลับคืนมาหา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 สัญญามันทำหน้าที่ของมันสังขารมันทำหน้าที่ของมันวิญญาณมันทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันมันทาเองจริงว่าญาณเข้าไปรู้เมื่อมันทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วแล้วก็รู้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนคนให้คนทำหน้าที่ของคน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 ให้ฐานมาบ้างรักษาศีลมาบ้างทกากรรมฐานมาบ้างแล้วหรือเพราะเราไม่เหลียวหลังเราบัด น, นี้เมื่อเราเหลียวหลังเรามองเห็นสภาพควมเป็นอยู่การทมเราทามาแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กันเหลียวซ้ายแลวหัวเหลียวดูที่คนกำลังทําอยู่นั้นเขาทํายังไงเขารู้สภาพปภาวะที่เขาทําแล้วหรือยัง เดี่ยว้ายแลขัวมองเข้ามาถึงตัวเราโอตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อยังไม่รู้แม่เข้าใจก็ทําเช่นนั้นนี่แหละเดี่ยว้ายแลขัวเลี่ยวเข้ามาเบิ่งตัวเองเดี่ยวเข้ามาดูตัวเอง <c oughs> มามองดูตัวเองอ <c oughs> เอาน้ํามากินนะหอนแฮ เมื่อมามองดูตัวเองแล้วมันเกิดมีความเข้าใจสัมผัสได้จริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสและสอนอวะชจัตทั้งหลายคือเราตถาคตจัตทั้งหลายเหมือนเราตถาคตจัตทั้งหลายเป็นตถาคตคือยังไงเหมือนอยังไงคือกันมีแขนมีขามีตาให้ว่า มีลูก ม, มีเลทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณคือกันเหมือนกันผู้ยิงผู้ตายเหมือนกันเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันพระสงฆ์องค์เนนเหมือนกันเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือเหมือนกันมีเหมือนกันคนจนก็มีเหมือนกันคนรวยก็มีเหมือนกันอันมีเลทนามีส nice ัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกัน ยากระโทสะโมหะโลพาก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหาอุปทานก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันความสงบมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันดีเหมือนกันท่านวันแบบนี้เมื่อเราทําถูกจุดแล้วทําให้ทุกข์นั้นลดน้อยหมดไปแล้วมันก็เป็นสถาคดเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน เป็นที่ตรงไหนก็เป็นที่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวนี่เองอันนี้เนี่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดอันนี้แหล ะ, ท, หลนนหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วยึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤตปฏิบัติตามอย่างเราตาทาคนนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาท่าคนนี้ท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ทำแต่เราไปปลาดถนาอ้อนวอนขอร้องเอาทาบุญแล้วก็ขอร้องเอาไหว้วอนเอามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทาเอง พระโควิชิตรธรรมจารย์เจ้าคณะอำเภอเสียงขานเนี่เป็นอุปษาให้เมื่อบวชเป็นพระนุ่มหกเดือนท่านก็เป็นอุปชาให้มาบวชเป็นหลวงพอ่อหลวงตาข้างนี้ท่านก็เป็นอุปชาให้เพราะต่หาท่านท่านสอนว่าในประเทศอินเดียมีหลายลาทิมีหลายนิกายมีหลายครูมีหลายอาจารย์สอน เลือกคัดจัดเอาให้เป็นนไมี1้อยแปดลัทธิร้อยแปดอาจารย์ร้อยแปดศาสนาลัทธิใดก็ตามอาจารย์ไหนก็ตามเราชอบเราต้องไปหาเมื่อเราไม่ชอบเราไม่ต้องไปท่านสอยอย่างนั้นจึงให้เลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นเมื่อเราไม่เลือกคัดจัดหาเอาไม่เป็นเราก็ไม่รู้ดังนั้นที่ มาไลาฟ์ฝังเพืธธ่อคมตั้งใจในประเทศอินเดียถ้าชอบละทิของพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาออกกับพระพุทธเจ้ามันมีหลายละทิละทิสีเปือยก็มีละทิไม่นุ่งเสือ้อนุ่งผ้าเนี่ยละทินอนเตี้ย น, นอนหนามละทินอนย่างไฟอะไรมีหลายละทิทันวน่อยอยังดังนั้นในเมืองไทยของเราทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ยูโูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์สอนไม่เหมือนกันสอนกรรมาฐานสอนนิัสสนานี้พ ร, พระเจ้าของเรานี่สอนคนที่ยั ง, งโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาสอนคนที่กำลังทำผิดนั่นแหละให้เขาเลิกละจากการทำผิดให้เขามาทำความถูกต้องสอนคนที่มีทุกข์อยู่นั่นแหละให้เขาหมดทุกข์ไปท่านสอนอย่างนั้น ดังนั้นจีว่าความคิดความเห็นของคนจึงไม่เหมือนกันเมื่อความคิดความเห็นของคนไม่เหมือนกันแล้วการพูดการสอนก็ไม่เหมือนกันอุดมการณ์ของอาตมามีอุดมการณ์อย่างนี้จะพูดอย่างนี้จะสอนอย่างนี้รับรองได้วิธีนี้อ้าวทําอย่างอื่นทํามามากพอสมควรแต่มันไม่รู้มันไม่มีการเห็นแจ้งไม่มีการรู้จริง เมื่อมาทำความรู้สึกตัวนี่แหละการเคลื่อนการไหวโดยวิธีเล็กก็ตามให้มันรู้สึกเรียกว่าเราเคยได้พูดได้สอนมาว่าพระพุทธสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเขาไปกำหนดรู้แต่เท่านั้นก็อนอยังไม่พอท่านอาจารสอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเขาไปกำหนดรู้ ในอิิยาบทย้อยขู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนดังนั้นดังนั้นที่ตัวของผมตัวของสมาสอนนี่กาให้มีสติกาหนดรู้ทุกอิยบทนั่นเองเป็นอย่างนั้นก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความจปิงจริงรับรองได้จริงๆเรื่องนี้ที่ได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมาในวันนี้ก็ เป็นเพียงสั้นๆจะมาทำลายโทสะโมหะโลภะนี่เองให้ตัวลูกตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณทำหน้าที่ของมันจริงๆอย่าไปขัดยศึกษาธรรมะก ร, รมซาจริงๆเอาแหละที่อาจารย์มาได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจษษิตสกิจใจมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้ว ท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยูณสถานที่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธสอนวัดสัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแรงแห่งนั้น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้นนมต์เพื่อนพิกษุสมณี น, นทุกท่านตั้งใจฟังครับเอกเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังแล้ว จะจดจำไม่ได้เมื่อเราตั้งใจฟังแล้วก็จดจำได้วันนี้ที่ผมเนื้ออาตมาได้เดินทางมาพบกับพวกเราคือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมจะได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะิตใจของพวกเราส่วนมากคนเรา คือศาสนาพุทธความคิดความเห็นความเข้าใจไม่เหมือนกันเมื่อพูดเึงไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องพูดเรื่องตัวเองอีกตัวเองนี่ก็ไม่เหมือนกันที่แรกเข้าใจหลักพุทธศาสนานั้นตามประเพณีนยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ปูยาตายายทำยังไงก็ต้องทำไปอย่างนั้นอันนั้นยังควบหน้าอยู่เกีียวมันยังอัดแน่นอยู่ไม่ได้หงายหน้าขึ้นมาไม่ได้หมายเกีียวออกมาเรียกว่าถือตามประเพณีนั่นเองแบบ น, นี้เรามาทำคมเข้าใจในตัวเองให้ถูกต้อง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 ดังนั้นคำว่าศาสนานี้เราไปเข้าใจเอาเสียว่าเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเป็นของดึกดำบรรันมันเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอันนั้นเป็นการเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเนื่องอย่างค่อมน้าอยู่บันนี้เมื่อเรามาศึกษาตัวเราทำความเข้าใจกับตัวเราให้ถูกต้อง ศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้รู้สึกตัวเราเมื่อเรามารู้สึกตัวเราเข้าใจกับตัวเราสัมผัสกับตัวเราแล้วนี่แหละมันหงายหน้าขึ้นมาหมายเกียวที่อัดแม่นนั้นออกมาคำว่าศาสนาเนี่ยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่จำกัดเสื่อ้าศาสนา ไม่จำกัดสันวันนะนิชาความรู้ตระกูลใดๆถ้าพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนทำดีพูดดีคิดดีมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอันนี้แล้วก็สอนให้ตั้งอกตั้งใจทำการทำงานพูดคิดอันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งที่จริงความจริง พระพรทสอนให้เราดูจิต ด, ดูใจกำลังนึกกำลังคิดให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกัรรู้จักแก้รู้จักอัศนะมันได้เพราะเรื่องอะไรจึงมีศาสนาจึงมีพุทธศาสนาคำว่าศาสนานั้นหมายถึงทุกละทิทุกนิยายเรียกว่าศาสนา พุทธศาสนานั้นหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่รู้นั่นแหละที่ออกพุทธศาสนานรู้อะไรเพื่อประโยชน์อะไรรู้สึกตัวเรากำลังทากำลังพูดกำลังคิดดูจิตดูใจของเรากำลังเคลื่อนกำลังไหวไม่ให้หลงตนไม่ให้ลืมตัว ไม่ให้หลงกายไม่ให้ลืมใจเมื่อไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจแล้วโทสะโมหะโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้แสดงว่าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คำสอนของพระเจ้าสอนให้คน ดูจิตดูใจเพื่ออะไรป้องกันอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจเรียกว่ามีความรู้สึกตัวหรือวมีสติหรือมีสมาธิมีปัญญาก็ว่าได้ในขณะไหนเวลาใด ในการทำการพูดการคิดไม่รู้สึกตนไม่รู้สึกตัวหลงกายลืมใจโทสะโมหะโลภมันเกิดขึ้นนี่ดังนั้นพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมีความหมายให้ดูการเคลื่อนไหวนั้นมีความหมายเพื่อไม่ให้ หลงนี่เองภาคาธรรมะเรียกโมหะไม่ให้โมหะเกิดขึ้นโมหะก็เรียกขมหลงนั่นเองดังนั้นศาสนานั้นจะเป็นศาสน า, าไหนก็ตามข้อใหญ่ใจความที่สำคัญเร่การให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมฐานการเจริญปัสนาพอตามมีจุดสำคัญเพื่อจะ มาป้องกันไม่ให้หลงตนลืมตัวไม่ให้หลงกายลืมใจไม่ให้โทสะไม่ให้โมหะไม่ให้โลภะเกิดขึ้นท่านว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าเราให้ทานเรารักษาศีลเราทํากรรมฐานเราเจริญนิพพสนาอยู่ก็าตามถ้ายังหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจ ยังมีโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราทำไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักดังนั้นเรื่องโทสะโมหะโลภะนี้มันไม่มีอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอยู่24ชั่วโมงและมันก็ไม่ยกเว้นใครทั้งหมดอีกะด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกัน ญาติโยมก็เหมือนกันเด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคนเท่าคนแก่ก็เหมือนกันดังนั้นจึงว่าตั้งใจฟังถ้าหากไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้เมื่อเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ทำกรรมฐานแม้ที่จุดเราไม่พูดถึงว่าไม่เจนนริญนิพพานก็ตามแต่เราไม่หลงตนไม่ลืมตัว ไม่หลงกายไม่ลืมใจรู้สึกตัวในการทำในการพูดในการคิดรู้สึกจิตใจมันนึกมันคิดอยู่ทุกขณะนั่นก็เรียกว่าโทสะโมหะโลภย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่หลงไม่ลืมมีเอง นี่แหละเป็นการถือพระพุทธศาสนาให้ถูกให้ตรงเพราะว่าจุดสำคัญจุดนี้ไม่ว่าคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนขะเมนคนยวนคนลาวมีเหมือนกัน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 ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้คำพูดเช่นนี้เราไม่ค่อยเอามาพูดกันเมื่ อ, อามาพูดกันแล้วก็ยังทํความเข้าใจไม่ถูกต้องคือยังไม่มีแนวความคิดยังไม่เกิดสติเกิดปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริ ง, รงนั่นเอง ดังนั้นวันนี้จึงมาแนะแนววิธีปฏิบัติอย่างลับ ด, ด, ดคือทำการเคลื่อนไหวโดยวิธีเดกกอดตามให้รู้สึกตัวข้อแรกให้ลู้สึกตัวตัวของเราเนี่ยเป็นลูปเป็นนามเป็นลูบทาเป็นนามทำเพราะรูปอันนี้มันทําเองทำดีทําชั่ว พ, ดดพดูดดีพูดชั่วคิดดีคิดชั่วยังไให้รู้จักรูปธรรมนานธรร ม, มแล้วเมื่อรู้จักอันนี้เข้าใจอันนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็รู้จักรูปโลกรู้จักนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันรูปโลกคือรูปอันนี้เกิดมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้อง หรือเทิงยังไงก็ตามก็ต้องตายเนาเข้าโรงอันนี้ลูกเป็นโรคใจก็ไม่สบายลูกอันนี้เป็นโรคทางเมื่อหนังไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเ็จร่างกายให้รู้จักเอาอยาให้กินรักษาบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายโลกทางจิตใจเล่าบัดนี้คือจิตวิญญาณเป็นโรค ดีใจเสียใจเปรียดสังนี่อันนี้ว่าจิตยิญยานเป็นโลกลูกไม่เป็นอะไรอันนี้จิตยิ่งยานเป็นโลกจะรักษาโลกอันนี้ต้องทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจคิดจิตใจมันนึกมันคิดต้องรู้เท่ารู้ทันรู้จกักอันรู้จักแก้อันนี้เี่ว่า เป็นยารักษาโรคทางจิตใจที่ ย, ยานเป็นโลกเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักคกขังอนิจจังอนัตตารู้จริงๆ ร, รู้แล้วไม่เก้อเขินแก้ปัญหาตัวเองได้เป็นอย่างนั้นที่ตัวอาตมาหรือตัวของผมได้ใช้เวลาเอามาปฏิบัติที่เอาของจริงที่ตัวเองได้สัมผัสได้รู้ได้เข้าใจนั่นแหละ มาเล่าสู่ฟังเมื่อรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาสัมผัสแนบแนบแนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็รู้จักสมมุติสิ่งที่สมมุติขึ้นมาต้องให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแม้ทีเทวดานรกสวรรค์บวชศึกฤาษอศาสนาพุทธศาสนาบาบุญอะไรก็ต้องรู้นี่ว่าสมมุติ ไม่อัตตาเงินทองก็ต้องรู้รู้จริงๆเรื่องนี้รู้สมมุติแล้วก็รู้จากศาสนารู้จากพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนตัวคนนั่นก็คือตัวศาสนาพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ว่าพุท ธ, ธเตี่ยวฟูรู้ คือตัวรู้สึกนั่นแหละเป็นพุทธศาสนาเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักบาปรู้จักบุญบาปมากที่สุดคือหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนี่เองบุญมากที่สุดคือไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัดทั้งหลายคือเราจะถาคต ไม่ใช่สัตว์ในรสารสัตว์มนุษย์นี่เองจึงเป็นสัตว์อันประเสริฐคือยังไงเมื่ อ, อยังควบหน้าอยู่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเกิดมาทีแรกก็เป็นคนธรรมดาสามัญชั้นปัญญาชนแต่ไม่รู้ควบหน้าอยู่เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นปุถุชนเหมือนกัน กับพวกเราในยุคนี้สมัยนี้นี่เองแบบนี้สัดทั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อพระองค์หายหน้าขึ้นมาเมื่อไมายเยี่ยวที่อัดหันแน่นเข้ามานั้นหายออกบ้านผมเรียกว่าหายเกียวออกมีคนแก่ปากตายหรือคนแก่เลือนคนแจ่แหลก็นตายน็อตที่มันขันแน่นอยู่น่ะคลายออกให้หมด อันนั้นเนี่ยเรียกว่าหายเปียวออกของที่ควบหน้าคือไม่รู้ความจริงนั่นเองเนี่ยควบหน้าไวเป็นอย่างนั้นเรียกว่าคือกันบัดนี้ขัดทั้งหลายเป็นตถาคตเพราะว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเป็นได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าขัดทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่ท่านสอนอยางนั้นเมื่อสอนอย่างนั้นก็ต้องรู้อย่างนั้นอย่างที่พระองค์นั้นเมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติตาม ก็จะรู้เหมือนพระองค์ไม่ได้ดังนั้นการให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมฐานนั่นดีแล้วแต่มันยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำคนรู้จึกตัวนี้เองคำว่าวิปัสสนามันก็เป็นเพียงสมมุติซื้อมันเท่านั้นเองวิปัสสนามันเป็นภาษาที่พูดภาษาฝักแสงอะไรไม่รู้ หลวงพ่อไม่รู้หรืออาจจะมาไม่รู้แต่รู้จักว่าวิปัสนารู้วิปัสนาไปว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเมื่อจิตใจของเรายังมืดยังไม่มีความสว่างภายในจิตใจจะเป็นวิปัสนาไม่ได้ต่อเมื่อเราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจ ในการทำในการพูดในการคิดมีความสว่างขึ้นภายในใจิตใจเหมือนกับหงายของที่คว่ำหายหรือมายเกี่ยวที่อัดแน่นออกเบาขึ้นมานั่นแหละคือวิปัสนาวิปัสนาจิตว่ารู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วก็ต่างเกา่า ล่วงภาวะเดิมต่างเก่าจริงๆต่างจากความเป็นปุถุชนหรือต่างจากความไม่รู้ยัล่วงภาวะเดิมล่วงจากภาวะความเป็นปุถุชนล่วงจากภาวะเดิมล่วงจากภาวะที่มันมืดมาอยู่ความที่มันไม่มืดที่แรกเหมือนกับที่เราอยู่ในถ้ำเราออกจากถ้ำ เมื่อในขณะที่เราอยู่ในถ้าเราไปไหนมาไหนก็ต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟก็ไปไม่ได้บัดนี้เราออกจากถ้ำออกจากในถ้ำมาอยู่ปากถ้ำหรือออกจากถ้ำไปอยู่ไกลๆถ้ำมองเห็นถ้ำมองเห็นรูในถ้ำและมองเห็นรูปถ้ำมีลักษณะสันฐานอย่างไรต้องรู้ อันนี้แหละคือวิปัสนาดังนั้นเมื่อเปรียบเข้ามาภายในจิตใจของเรามันนึกมันคิดยังไงก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดไม่ชั่วก็รู้อันนี้เลยวะเราออกจากความคิดเราเห็นความคิดเราเข้าใจความคิดเมื่อเห็นความคิดเข้าใจความคิดมันก็ไม่ได้อัดแน่นอยู่ภายในจิตใจ แล้วก็วางมันได้ผมคิดที่มันคิดขึ้นมาเราปล่อยมันได้เรียกว่าวางมันก็ได้ปล่อยมันก็ได้หรือว่ารู้เท่าทันมันก็ได้มันไม่ถูกปรุงไม่ถูกแต่งไปอันนี้แหละที่ว่าสางเก่าล่วงภาวะเดิมดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นเลนก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นพระก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นเลนก็ได้จกให้ทานก็ได้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 ความจริงแล้วไม่ใช่ทานเงินทานเสื้อทานผ้าทานยารักษาโรคไม่ใช่ทานยังไงอันนั้นมันเป็นสังคมสมมุติขึ้นมาคําว่าทานธรรมนั้นหมายถึงทานแนวความคิดที่มันตกปลกนั่นแหละแนวความคิดที่มันตกปลกนั้นคือโทสะโมหะโลภะไม่ให้เกิดขึ้นเราสลัดมันทิ้ง พูดแต่ความดีๆสูกันฟังการทำอย่างนี้ทุกคนทำได้นี่แหละแนวทางไปหาพระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายจีวรหรือจับมือเราอยู่หรือเท้านี่มือเราอยู่ก็ไม่เห็นเรา เพราะไม่เห็นธรรมเนี่เราไม่เข้าใจว่าเห็นธรรมต้องเห็นสีแสงสีเทวดานรกสวรรค์เข้าใจไปอย่างนั้นอันนั้นมันควบหน้าอยู่เกลียวมันยังอัดแน่นอยู่หันเกลียวแน่นไม่ยอมคายเกลียวมันออกเมื่อเราหงายหน้าขึ้นมาแล้วก็คายเกลียวที่อัดแน่นนั้นออก นั่นแหละเรารู้เราเห็นเราเข้าใจธรรมะเราสัมผัสมันได้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจริงสอนแต่ของจริงไม่ได้สอนของไม่จริงนะ่ะพระพุทธเจ้าไม่สอนสอนแต่ของจริงของแท้จริงธรรมะนั้นนะ่ะไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยจะเป็นยุคใดสมัยไหนข้อตาดอาตามา เมื่อเข้าใจธรรมะอันนี้เราตั้งปณิธานอิตใจของเราเอาไว้จะพูดอย่างนี้เนี่ยให้คนเข้าใจให้คนรู้จักหลักพระพุทธศาสนาจริงๆนี่แหละคือพุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงเจริญงอกงามขึ้นมาถ้าหากคนใด ได้ทำหน้าที่ตัวเองคือเขารบพระพุทธเจ้าเขาลบิดามาดาเขารบครูบาอาจารย์ก็มาทำอันนี้นี่เองเขารบพระพุทธเจ้าก็หมายถึงรู้แล้วก็ทำแทนพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เพราะพระพุทเจ้าตายก็ว่าได้นิพพานก็ว่าได้เลิศสวรรค์นกก็ว่าได้มันเป็นเรื่องสมมุติ แบบ น, นี้เราผู้ทำแทนก็คือเรายังมีชีวิตรเรายังมีจิตมีใจต้องประพฤติปฏิบัติตามให้รู้แจ้งเห็นจริงตามขมเม็นจริงแล้วก็ออกมาเผยแท้หรือพูดให้คนนั้นพูดให้คนนี้ฟังย่อเผยแท้หงายของที่ข่วมเปิดของที่ปิดหายเกลียวที่มันอัดแน่นนั้นออกให้มันเบาขึ้นมา ทำไมพูดอย่างนั้นก็พูดของจริงนี่เองของจริงเรื่องอะไรคือเรื่องโทสะโมหโลภนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เรื่องอื่นนั้นเป็นการทาดีกับสังคมเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลคนเฒ่าคนแก่ก็โกรธเป็นคนหนุ่มคนสาว ก, ก็โกรธเป็น พ่อบ้านแม่เรี้ยงก็โกรธเป็นเด็กเ็กก็โกรธเป็นเนากโกรธโลกหลงภาษาธรรมะเมื่อภาษาที่ผมปฏิบัติผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจผมสัมผัสแนบแน่อยู่กับตัวมันเองนั้นโทสะโมหะโลภใครมีโทสะมากต้องรู้เห็นเข้าใจสัมผัสโทสะก่อน ใครมีโลภมากก็รู้เห็นสัมผัสโลภใครมีโมหามากก็รู้เห็นสัมผัสโมหะก่อนจิงใดมันหนักจิงใดมันมากเราต้องเห็นอันนั้นก่อนรู้อันนั้นก่อนสัมผัสอันนั้นก่อนแนบแน่นอันนั้นก่อนเมื่อโทสะโมหะโลภจางคายไปแล้ว เวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์อันนั้นเนี่ยคือเป็นเทวดาแท้หรือเป็นมนุษย์แท้หรือเป็นพระก็ได้้าจึงแปลว่าผู้ประเสริฐ้าจึงแปลผู้สอนคนสอนของจริง้าประเสริฐแล้วก็ต้องสอนให้คนรู้จัก อันนี้เนียวะวิปัสสนาก็ได้หรือว่ารู้จักหลักพระพุทธศาสนาก็ได้หรือว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ยิ่งว่าขัดทัางหลายเป็นตถาคตเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ายอย่างเจ้าสายสิทธะกุมารนั้นยิ่ว่าอันความรู้ความเห็นความเข้าใจความสัมผัสนั้นเป็นเหมือนกันไม่ผิดกันเลย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 นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะไปรับผินก็ต้องพูดนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตแต่ว่าขอนกน้อมเราพูดได้แต่เรา น, งงนอบยังไงนอบยังไงรู้จักเคารบตัวเองยังไงรู้จักขลุบพระพุทธเจ้ายังไงรู้จักขรุบวิดามาดาอย่างไงรู้จักคลุบนับถือครูบาอาจารย์อย่างไงไม่รู้แต่ก่อน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 ทำให้พุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นคงจเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาได้ดังนั้นที่ตัวของผมหรือตัวของอาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในวันนี้ก็เห็นว่าชมกวรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยุนสถานที่นี้ อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าทมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของเราจริงๆคือให้ตัวสัญญาตัวนั้นแนี่ตัวรู้สึกใ น, นเรียอว่าสัญญาทาหน้าที่ของมันจริงๆ